พึงพากันตั้งใจให้ดีบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะทำความสงบใจแล้วฉะนั้นพึงโน้มใจลงสู่ความสงบจริงๆเพราะความสงบนี้เป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายในพระนิพพานนั่นก็ มีความสงบนี่แหละเป็นลักษณะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นเรียกว่ามันสงบจากความวุ่นวายต่างๆทั้งหมดเลยมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงแปลผันเป็นอย่างอื่นเห้ดัง พระพเทธเจ้าจึงตรัสว่าพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายความสุขกับความสงบเป็นคู่กันนห้พึงเข้าใจความสงบมีอยู่ที่ไหนความสุขก็มีอยู่ที่นั้นแหละที่ไหนไม่มีความสงบที่นั้นก็ไม่มีความสุข เช่นอย่างร่างกายอย่างนี้มันก็หาความสงบไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นอุบมาเหมือนย่งเครื่องยนต์กลไกต่างๆนั่นมันต้องทํางานอยู่อย่างนั้นหมุนไปรอบตัวอยู่งั้นทําหน้าที่ ลัภาระต่างๆไปสู่จุดหมายปลายทางของมนุษย์ร่างกายอันนี้มันก็เช่นเดียวกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆนั่นเองเนี่ยมันก็ทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาถาดล้มก็มีหน้าที่พัดไปพัดมาอยู่ในร่างกายนี้ ธาตุดินก็มีหน้าที่รองรับเอาธาตุน้ำเอาธาตุไฟธาตุลมไว้ธาตุทั้งสามนั่นตรองอาศัยธาตุดินก็จึงอยู่ได้ถ้าธาตุดินนี่วิบัติลงไปแล้วธาตุไฟก็ดีธาตุลมธาตุน้ำอะไรก็วิบัติไปตามกันหมดเลย นี่ร่างกายอันนี้มันถึงว่ามันไม่ไม่ใช่มันอยู่นิ่งๆนะมันหมุนอยู่เหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์นั่นเองธรรมดาเครื่องยนต์นานไปมันก็หลวมอืเมื่อมันหลวมแล้วมันก็อ่อนกําลังลงไม่มีกําลังที่จะผลักดันสัมภาระต่างๆไปได้ก็ต้องซ่อม ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรต่างๆนั่นไม่มันก็จึงมีกําลังขึ้นมาได้ร่างกายอันนี้ก็ต้องอาศัยการซ่อมแซมอยู่เสมอก็ได้แก่ปัจจัยสี่นั่นแหละสำหรับเป็นเครื่องซ่อมแซมอัตภาพร่างกายนี้ เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆซ่อมแซมด้วยน้ำบ้างด้วยน้ำมันบ้างด้วยวัตถุอื่นๆบ้างแต่ถึงจะซ่อมแซมอย่างไรเมื่อใช้นานๆไปมันก็ไม่ไหวมันก็ชำรุดไปหมดก็ต้องได้ทิ้งร่างกายนี่ก็เหมือนกันแหละ ถึงแม้ว่าบุคคลจะอุปธรรมบำรุงอยู่ด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นก็ตามแต่มันก็ยังสุดโสมไปอยู่ในตัวมันเลยไม่ใช่ว่าเมื่อบำรุงด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารอะไรแล้วมันจะยั่งยืนตลอดไปนั้นหามีได้เพราะฉะนั้นร่างกายนี้ก็จึงชื่อว่าไม่ส ง, งบ ดังนั้นมันจึงหาความสุขกับร่างกายนี้ไม่ได้เลยมันก็วิบัติแปลปวนไปของมันอยู่นั่นแหละแม้จิตก็เหมือนกันนะถ้าทําให้สงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่ได้เลยลองสังเกตดูให้ดีดังนั้นแหละการที่เรามา ถ้าเพียรพยายามทําจิตให้สงบนี่ก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้พยายามทําให้ตนของตนมีความสุขนี่เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเกลียดคล้านนะถ้าไปเกลียดคล้านการทําความเพียรทําใจให้สงบแล้วก็ได้ชื่อว่าผู้นั้นไม่ได้แสวงหาความสุขก็จะต้องพบแต่ความทุกข์ อยู่ร่ำไปให้พากันคิดให้มันเห็นทำอะไรที่จะให้มันเป็นสุขสบายไปนี่ไม่มีการงานในโลกอันนี้นะการทำมาหาเลี้ยงชีพของคนทั้งหลายก็เหมือนกันนะมันก็ได้กล้ำฝนทนแดดหนักเอาเบาสู้ถ้าไม่เหลือวิสัยจริงจริงก็ไม่วางมือ ปานนั่นละก็ถึงได้เงินทองเข้าของมาบริโภคใช้สอยถ้าใครกลัวความยากลำบากยู่ยละแล้วก็ไม่มีทางหรอกมันจะได้เข้าของเงินทองมาบำรุงอัตภาพอันนี้ได้อันนี้ฉันใจก็อย่างนั้นแหละการฝึกขนจิตใจมันก็ต้องอาศัยฝึกกายด้วย เพราะว่าใจมันอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อไม่ฝึกกายนี้ให้มันสงบลงบ้างอย่างนี้ก็จิตนี้ก็สงบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องเราพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะวิธีนั่งสมาธิภาวนาให้นั่งนิ่งนิ่งเพื่อให้ใจมัน นิ่งไปตามกันเมื่อกายนั่งนิ่งนิ่งแล้วใจมันยังไม่ยอมนิ่งก็จำเป็นก็ต้องได้อาศัยสติสัมปชัญญะนั่นแหะควบคุมบบ น, นี้นะไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันคิดเลื่อยเปื่อยไปเช่นนั้นแล้วมันก็สงบไปได้สักที มันจะสงบได้ก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี่เนี่น้อมสติสัมปชัญญะนี่เข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกน่ะหายใจเข้าก็น้อมไปเพื่อควบคุมจิตให้สงบหายใจออกก็เพื่อน้อมสติสัมปชะสัญญะนั้นเข้าไปควบคุมจิตให้สงบ เราต้องมุ่งอย่างนั้นเมื่อมุ่งอย่างว่านี่นะมันก็ไม่เหลือวิสัยนะแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจลงอย่างนี้แล้วมันจะสงบไม่ได้จิตนี่นะเพราะว่ามันยึดถืออารมณ์ภายนอกไว้อยู่เมื่อมันยึดถือสิ่งใดมันก็ชอบคิดไปหาสิ่งนั้น ทีนี้เมื่อเรามีสติสมัมปชัญญะไปห้ามน้อนเข้าไปห้ามแล้วอย่างนี้มันก็คิดไปไม่ได้อนั่นแหละหมายเขาว่าตนเองห้ามตัวเองนั่นแหละไม่มีใครมาห้ามตัวเองหรอกจิตห้ามจิตนั่นแหละเอาใกล้ๆเข้าจริงๆแล้วนะอมันเป็นอย่างนั้นอุบายวิธีที่จะให้ใจสงบนะ มันต้องมีอยู่ตรงนี้ถ้าตนเองห้ามตนไม่ได้แล้วก็ทำจิตให้สงบไม่ได้เลยบางคนเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วไม่ไม่ต้องการคิดอะไรต้องการแต่หลับอย่างเดียวต้องการแต่ง่วง นิสัยอย่างนี้เมื่อฝึกขัดเข้าไปมันก็เป็นไปอยู่นั่นแหละมันติดนิสัยเพราะฉะนั้นอย่าไปตามมันต้องฝืนมันเมื่อให้มันง่วงไม่ให้มันเหงาต้องฝึกให้มีสติตื่นอยู่เสมอถ้าหลับตามันชอบง่วงก็ลืมตาเอา มันก็ท่องอย่างนั้นอุบายวิธีหาหนทางขายี้ตาบัางบอกในตำราทางกาว่าเอามือเข้าไปย้อนหูอันหมูน่นี้มันก็เป็นอุบายวิธีแก้ง่วงท้งนั้นแหละฉะนั้นทำยังไงมันจะไม่ง่วงก็ทำเข้าไปอ่ะวางรายสัสัี พอนั่งภาวนาเข้าไปแล้วได้แต่คิดเมื่อเวลาไม่นั่งสมาธิไม่ค่อยคิดเท่าไหร่หรอกคันพอนั่งสมาธิเข้าไปแล้วก็หาเรื่องคิดแต่แบบนี้หาเรื่องคิดโดยไม่หยุดไม่ยัง้งไอ้อย่างนี้ทุกคนมันก็รู้ตัวเองเนี่ยว่าตนเองมีนิสัยอย่างไรอ่ะแล้วก็แก้นิสัยอันนั้นให้มันตก ผู้มีนิสัยชอบคิดชอบนึกไปในอารมณ์ต่างๆเส้นนี้ก็พยายามกำหนดเพ่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปไม่ไม่ต้องมุ่งอย่างอื่นทีแรกนี่นะมุ่งที่จะกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ แล้วจิตมันก็ค่อยหยุดคิดไปเรื่อยๆแหละเมื่อมันจับลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เมื่อมันจับอันหนึ่งมันก็วางอันหนึ่งจิตนี่เนี่ยมันจะจับพร้อมกันไปหลายอย่างไม่ได้หรอกเมื่อน้อมจิตไปในลมหายใจอย่างนี้นะมันก็ไปรู้อยู่แต่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมันจะไม่คิดไปในเรื่องอื่น นี่เป็นอุบายวิธีที่ทำจิตที่ฟุ้งช่่นสอบคิดมากๆนะให้มันสงบลงทุกคนต้องรู้เรื่องของตัวเองตอนเองมีจริตนิสัยอย่างไรก็ต้องหาอุบายแก้ไขจริตนิสัยอันนั้นให้มันเข้าถึงความสงบให้ได้อย่าไปปล่อยให้ นิสัยอันนั้นมันเป็นไปอยู่อย่างนั้นนิสัยเช่นนั้นมันเป็นนิสัยที่เรียกว่าแทรกแซงอยู่ด้วยกิเลสมันไม่ใช่เป็นแต่ธรรมชาติของมันอย่างเดียวมันมีกิเลแสแทรกแซงอยู่พระพุพเทธเจ้าก็ตรัสว่ามันเป็นกิเลสเป็นนิวรัเป็นเครื่อง ก, กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีได้ ความง่วงเหงาหาวนอนหมู่นี้นะเป็นกิเลสอย่างกลางนะอืความที่ปล่อยจิตให้คิดพุ่งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆหมู่นี้มันก็เป็นกิเลสอย่างกลางนี่ต้องให้เข้าใจไม่ใช่เป็นของดีเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการความสงบนั้นจะต้องกำจัดมัน ให้มันสงบระ ง, งับลงบางคนก็ชอบสงสัยลังเลเอ๊ะเราทำอย่างนี้นี่ถูกต้องหรือไม่หนออทำไหมจิตมันถึงไม่สงบถ้ามันถูกต้องอะ่ะก็ลังเลอยู่อย่างนั้นก็ไม่ต้องลังเลนะจะไปลังเลทำไมอะ่ะที่ทำจิตแต่สงบลงไม่ได้ก็เพราะทำไม่ถูก จะเรินกรรมฐานไม่ถูกกับจริตนิสัยอันนั้นถ้ามาเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท้อไม่ถอยแล้วรับรองว่าจิตสงบได้แน่นอนแต่คนทำไม่ถึงอ่ะพอทำไปหน่อยหนึ่งมันไม่สงบแล้วก็ไปทิจารณาอย่างอื่นนู้นซะไปจับเรื่องอื่นนู้น อย่างนี้นี่มันไม่มีทางที่จะสงบได้เพราะว่าวิธีแก้จิตพุ่งซ่านลำคาญมีทางเดียวเท่านี้เพราะพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในสมถากรรมฐานนั่นนะเราจะไปลังเลทำไมอ่ะตั้งสติจดจ้องจดจ่อมันเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็ ค่อยหยุดคิดลงไปโดยลำดับแหละความคิดมันก็ค่อยดับลงดับลงเมื่อในที่สุดมันก็ดับลงไปหมดเลยวันนี้จิตใจก็รวมเป็นหนึ่งลงได้พอจิตมันหยุดคิดลงได้จิตก็รวมลงไม่ได้ลำบากอะไรอ่ะไองานอย่างนี้ไม่อดไม่ทนไม่สู้แลว้วงานอันจะเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษมันผัดสู้อย่างนี้ มันจะว่ายังไงกันนะ่ะนั่นนะก็ะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปรารถนาดีต่อตัวเองนไม่มีตาตนไม่คิดจะยกตนให้พ้นจากทุกผู้ใดคิดที่จะยกตนให้พ้นจากทุกแล้วมันก็ต้องพอใจในการภาวนาพอใจในการนั่งสมาธิฝึกตนของตน ให้เข้าถึงความสงบให้ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นผู้เมตตาตนปรารถนาจะให้ตนเป็นสุขแล้วก็เห็นโทษแทงการที่ไม่ฝึ ก, กจิตใจนี่ให้สงบมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ความรำคาญตนเองก็รำคาญความคิดของตัวเองวางเวล่าเพราะว่าไม่อยากคิดมันก็คิด ทั้งนี้ก็เพราะมันไม่มีสติควบคุมจิตนั้นแหละกิเลสมันผลักดันเอาก็คิดไปในอารมณ์ต่างๆไม่หยุดไม่ย่อนเลยฮะย้นเกิดความรําคาญเดือดร้อนใจเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่ทําความเพียรนะยังปล่อยให้จิตเดือดร้อนราคาญเพราะความคิดของตัวเองอยู่งั้นนไง นี่แหละคนเราเนะ่ะมันจะได้ประสบความทุกข์เมื่อจิตฟุ้งซ่านลำคาญแล้วกิเลสอื่นๆมันก็เกิดขึ้นนี้ความโลภความโกรธอันใดมันก็เกิดแหละใครมาพูดอะไรทำอะไรให้เป็นที่ไม่พอใจอยู่บ้างนี่ก็โกรธอย่างรุนแรงเนยเพราะว่าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วเป็นอย่างนั้น เอาถ้าไปเจอกับอารมณ์ที่น่ารักน้าใครก็รักใครไปเอาอย่างสุดเวียงเลยเพราะว่าใจมันฟุ้งอยู่แล้วนี่อมืมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นพยายามออย่าไปทําใจให้ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นมันเป็นบ่อเกิดแห่งบาปอกุศลนานาประการ <c oughs> ตลอดถึงการเบียดเบียนบุคคลอื่นและจัดอื่นให้ถึงกับล้มกับตายกับพราะมนลั ง, งับจิตที่ไม่อยู่นั่นแหละจิตมันฟุ่งไปไม่หยุดยัง้งมันจึงสามารถประหัตประหารผู้อื่นได้เลยที่เขาเรียกว่าบัรดาโทศาสตร์นั่นแหละทีแรกก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมาย ไม่ถึงกับว่าจะไปฆ่าไปแกงกันนะแต่เมื่อมันยับยั้งใจไว้ไม่อยู่ล่ะความคิดมันพุ่งขึ้นอย่างแรงชั่ววูบเดียวหนึ่งก็สามารถสังหารผู้อื่นให้ตายได้เลยจิตอันเนี้ยดะฉะนั้นให้ากันเห็นโทษแห่งความปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันมีแต่จะนำตนไปสู่ทุกข์ทางนั้นแหละ ไม่มีทางที่จะได้ประสบความสุขอ่ะแม้ใครจะมีเงินทองเข้าของมากมายอย่างไรก็ตามก็หาเป็นสุขไม่ไม่มีสุขหรอกถ้าปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปอ่ะมีแต่จะไปทำชั่วอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละโกรธใครมาเมื่อตนไม่ต้องการทำ ก็เอาเงินเนี่ยไปจ้างมือปืนไปสังหารบุคคลที่ทนโกรธทนเกลียดนั้นอะมีอยู่ทั้งไปในโลกอันเนี้ยคนผู้มีจิตฟุ้งซ่านทางนั้นแหละที่มันทําความชั่วได้มากมายอย่างนี้นะผู้ที่ฝึกใจให้สงบแล้วไม่มันทําความชั่วอย่างนี้ไม่ได้เลย ลองคิดดูเทียบกันดูนั่นแหละคนเราเมื่อใจสงบลงไปแล้วความโลภความโกรธอะไรมันก็เบาลงไปตามกันเลยมานะทิฏฐิความถือเนือ้อถื อ, ถอตัวก็เบาลงเนื่องจากว่าเมื่อทําใจให้สงบลงไปแล้วได้แล้วมันมองเห็นอัถภาพร่างกายนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลย มันมองเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนจริงจังอะไรอ่ะเมื่อมันมองเห็นอย่างนี้มันก็ลดละทิฐิมานะความสำคัญว่าตนดีวิเศษกลัวคนอื่นอะไรต่ออะไรลงได้เลยทีเดียวนี่ <c oughs> ไอการที่คนเรามันยังสำคัญผิดคิดว่าตน มีดีวิเศษกว่าคนอื่นหรือมีกำลังเลี่ยวแรงกว่าคนอื่นสามารถประหัดประหารผู้อื่นได้ <c oughs> อันหมูนีนะ่ะมันล้วนตั้งแต่ความถือมันสำคัญว่าขันหานี่เป็นตัวเป็นตนทางนั้นแหละอย่าไปเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฝึกใจให้ถึงความสงบเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นแท้ๆสำหรับผู้ที่ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารนะไม่มีทางอื่นก็แล้วกันเนี่ยแม้จะมีเงินทองเข้าของมากมายอย่างไรก็ป้องกันความทุกข์ใจไม่ได้เลย ช่วยไม่ได้เงินทองนั่นนะช่วยได้แต่ทำความสงบเท่านั้นเด็ดเพราะการทำใจให้สงบนี่มันเป็นการปล่อยวางอุปทานความยึดถือในอารมณ์ภายนอกต่างๆไปเสียหมดเลยแต่ขั้นความสงบนี่มันก็เป็นการละ ความยึดมั่นถือมั่นไปช่วระยะหนึ่งระยะที่จิตใจมันสงบอยู่นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าแต่ทางคาวิมุตคือจิตหลุดพ้นไปจากกิเลสนั้นชั่วคราวนั่นแหละในในขั้นแรกนี่มันก็ต้องทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสไปชั่วคราวซะก่อนวันนี้เมื่อ รักษาสมาธินั้นไว้ได้มันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาในบันนี้นั่นปัญญามันก็เกิดขึ้นจา ก, กจิตที่สงบนั่นเช่นเรานึกคิดให้พิจารณาดูโทษของกิเลสโทษแห่งความโลภหรือความรักความใคร่หมู่นี้นะมันมีโทษอย่างไรบ้าง มันให้ทุกข์อย่างไรบ้างโทษแห่งความโกรธโมนี้นะมันมีทุกข์มีโทษอย่างไรบ้างสมควรที่จะสะสมมันไว้หรือกิเลสเหล่านี้นะ่ะนี่ถ้าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองเห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้อย่างมากมายไม่ได้เห็นว่ามันเป็นคุณแม้แต่น้อยเดียวเลย <c oughs> สรุปแล้วได้ว่ากิเลสเหล่านี้เนี่ยพาให้คนเราท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทำบาปบ้างทำบุญบ้างแล้วก็ได้เสวยผลแห่งบาปแห่งบุญนั้นคือเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้ไม่มีที่สิ้นที่จบลงได้บางชาติหลงมากทำบาปมาก ตายแล้วก็ไปไหมอยู่ในอบัยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนานแสนนานได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนะ่นี่ไม่ใช่ว่ามันจะได้มาประสบแต่ความทุกข์อยู่ในโลกนี้อย่างเดียวนะบุคคลผู้หลงผู้ทำบาปกรมแล้วนะถ้าหากว่าเป็นทุก อยู่เพียงแค่อยู่ในโลกนี้เท่านี้ก็ยังชั่วหน่อยนะก็ยังพอหายใจได้อยู่บ้างถ้าไปเป็นทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิแล้วไม่มีระหวงอ่าเป็นทุกข์ติดติดต่อต่อกันไปอยู่อย่างนั้นนี่ควรหาอุบายสอนจิตให้มันเห็นโทษแห่งบาปกรรมเหล่านั้นให้ได้อ่า ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่ยอมปรงไม่ยอมวางขันห่านี่มันจะหวงไว้อยู่ยนั่นแหละเพราะว่ามันมองไม่เห็นหนทางที่จะไปสู่ทุกขนี่มองมองไม่เห็นเนะี่ยมันถึงได้ยึดถือขันห่านี้ไว้ถ้าปัญญามันเกิดแล้วมันมองเห็น โทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่ว่ามันจะพาตนไปสู่อาบายปุมมทั้งสี่มีนรกเป็นต้นจริงๆนี่ถ้ามันพี่นาเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงจะพอใจปล่อยวางขันห้านั้นนี่เพิ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่า มันไม่มีเหตุการที่คนเราจะได้เสวยสุขก็เพราะทำเหตุแห่งความสุขให้เกิดมีขึ้นในใจผู้ใดจะได้รับความสุขประเภทใดก็ดีแม่ความสุขทั่วคราวอย่างนี้นะถ้าบุคคลไม่เอาทุกเป็นทุนเช่นไม่ขยันหมั่นเพียรประกอบธุรกิจการงานเช่นทานาทำสวนทำการค้าขายเป็นต้น หมูนี้นี่มันก็ไม่ได้เงินได้ทองเข้าของมาใชา้มาจ่ายมาบริโภคไอความสุขชั่วคราวอย่างนั้นก็ไม่ได้พบเลยอ่าเป็นอย่างนั้นแม้วุคคนจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารดังกล่าวมานั้นถ้าไม่มาฝึ ก, กจิตใจนี้ให้เข้าถึงความสงบไม่เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นละอุปทานในขันห้านี้ได้ ก็ไม่ได้ประสบความสุขอันมั่นคงถาวรเลยนี่ลองคิดดูให้ดีเหตุ น, นั้นนักปราชญ์โบราณท่านจึงแต่งคำโครงไว้จะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยคอยผสม จะเป็นพระก็ต้องละกามารมจะเป็นพรมก็ต้องเพียรเรียน ร, รมฌานนักประดานโบราณท่านแต่งคำโครงอันนี้ไว้นับว่าถูกต้องเลยทีเดียวผู้ใดจะได้รับความสุขประเภทใดๆต้องทำงานต้องกล้าฝนทนแดดไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ลา ถ้าไม่เลอวิสัยจริงๆไงแต่แล้วการนั่งสมาธิภาวนามไม่ได้กำฝนทนแดดอะไรอยู่ในร่มตลอดไปถึงกขนั้นคนก็ไม่ชอบอยากทำอันนี้แหละนภาหน้าคิดทีเดียวบัตีจิตใจตกเป็นทาสของตัณหาตัณหามันบังคับให้ไปทำนาทำสวนทำการค้าขาย กลัมผลทนแดดนี่ยังชอบใจทาอ่อทั้งที่ทนทุกทรมานปปนั้นะนะนี่ลองคิดดูให้ดีคนเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมถึงยอมตกเป็นทาสของตันหาอย่างนั้นตลอดไปมันควรจะหาวนทางการรจัดตันหาเหล่านั้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นผู้คลองเรือนอย่างนี้เอาเถิด มันก็จำเป็นอยู่แหละต้องได้ทำการทำงานเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้อานาจของตันหานั้นแล้วแต่ว่าอย่าไปรู้อานาจแกตันหาฝ่ายบาปก็แล้วกันเพราะตันหาทำไรทานาทำรั้วสวนทำการค้าขายอย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรอ่ะ แต่ถ้าไปตัณหาอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกรรมอยากกล่าวมุสาวาตอยากดื่มสุ ร, ราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดโทษต่างๆเหล่านั้นความอยากเหล่านั้นมันเป็นบาปอกุศลเพราะฉะนั้นผู้ครองเรือนควรจะละความอยากอย่างว่านี้ให้ระงับไปจา ก, ก จ, จิตใจแล้วก็จะได้รับความสุขอยู่บ้างไม่ใช่จะเป็นทุกข์ตลอดไปเมื่อ จิตใจนี่ไม่มีบาปมาแทรกแซงแล้วมันก็พอมีความสุขอยู่บ้างแหละใครจะอยู่ใครจะมีอาชีพอย่างไรใครจะอยู่ในเพศไหนในภาวะใดก็ดีก็พอที่จะหาความสุขได้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วให้พึ่งพากันฝึกจิตใจของตนนี้ให้ถึงความสงบให้ได้ไม่มากก็ให้น้อยอ ให้เต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมา